เรื่องพระอาหารหันต์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ท่านพระอาจารย์มัน่นเล่าว่าพระอาริยบุคคลในยุคราชาการที่สี่คือสมเด็จพระมหาสมนาเจ้ากรมพระยาวัิรายา น, นวโรรสซึ่งเป็นพระโอรสของรัชาการที่สีนั่นเองเป็นองค์แรกท่านเป็นพระอริยบุคคลโสดาบัน ตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่กรุงราชคฤห์เทศนาโปรดพระเจ้าพิมพิสารและพระสหายเพื่อปลดเปลื้องคำปาฏิญญาที่พระพุทธเจ้าได้ให้ไว้เมื่อเสด็จออกผนวดครั้งแรกหมายเหตุพระเจ้าพิมพิสารได้ทรงพบพระโพธิสัตว์สิทธัตถะเมื่อทรงออกผนวดแล้วและได้ตรัสปฏิญญาว่าถ้าพระองค์ได้สาเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ขอจงเสด็จมาที่แว่นแคว้นของหม่อมชั้นก่อนพระโพธิสัตว์สิทธัตถะทรงรบปฏิญญาของพระเจ้าพิมพิสารไว้พระชาติปัจจุบันของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าเป็นชาติที่เจ็ดคือชาติสุดท้ายทรงแตกชั้นในจตุ ป, ปฏิสัมพิธายาณอย่างสมบูรณ์แบบในยุคนี้ ท่านพระอาจารย์ยกตัวอย่างความสามารถที่ไม่มีใครเทียบสมเด็จพระมหาสมณเจ้าว่าแต่ก่อนพวกบัณฑิตที่เรียนบาลีคือมูลกัดใจคำภีสนทินามต้องเรียนถึงสามปีจึงแปลบาลีออกสมเด็จทรงรจนาบาลีวยาก์ให้กุลบุตรเล่าเรียนในปัจจุบันสามเดือนก็แปลหนังสือบาลีออกนั่นอัศจรรย์ไม่ทัน ท่านพระอาจารย์เล่าต่อไปว่าเมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้าทรงรจนาวินัยมุกเล่มหนึ่งหลักสูตรนักธรรมตรีจิตของพระองค์กำหนดวิปัสนาญาณสามที่กล่าวมาแล้วคือสัจจญาณกิจญาณและกะตาญาณได้บรรลุชั้นสกีธาคามีต่อมาพระองค์เสด็จพระพาส่วนหลวงเมืองเพชรบุรีทรงรจนาธรรมวิจาร พระหาริทยของพระองค์ก็บรรุพระอนาคามีพระองค์ทรงมีภาระมากดูจะทรงรีบเร่งเพื่อจัดการศึกษาและปฏิบัติสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาประกอบกับสุขภาพของพระองค์ก็อย่างที่พวกเราเห็นในพระชายาลักษ์นั่นเองดูจะทรงงานมาก้อมไปและยุคนั้นการแพทย์ก็ไม่เจริญ แต่พระองค์ก็บำเพ็ญกรณียกิจจนเข้ารูปเข้ารอยจนพวกเราสามารถจะประสานต่อไปได้พระองค์ทรงพิจารณาเห็นสังขารของพระองค์ว่าไปไม่ไหวแล้วจึงเร่งวิปาาัสสนาญาณสําเร็จพระอาหารหันต์เข้าสู่พระนิพพานนี่คือคําบอกเล่าของท่านพระอาจารย์มั่นที่ผู้เล่าได้ฟังมา หมาเหตุผู้หา่านหนังสือเรียนที่เป็นแบบเรียนภาพบังคับจํานวนมากก็เป็นผลงานของพระองค์ท่านนะครับท่านแปลและเรียบเรียงมาให้ศึกษาได้ง่ายขึ้นมากซึ่งเป็นไปได้ยากที่คนที่ไม่ได้ปฏิสัมพิธาญาณแตกฉานในอัติธรรมอย่างแท้จริงจะทําได้ขนาดนี้หนังสือพื้นฐานที่เป็นที่รู้จักกันและพระทุกรูปควรได้ศึกษาก็เช่นนวโกวาทวินัยมุกและยังมีตําราเรียนในขั้นสูงอีกมาก จึงไม่น่าแปลกใจนะครับว่าทำไมหลวงปู่มั่นจึงชื่นชมและสรรเสริญพระองค์ท่านและแนะนำให้เหล่าสิทธิ์ได้ศึกษางานของท่านรวมถึงนำธรรมะในหนังสือของพระองค์ท่านมาเทศโปรดญาติโยมและเหล่าสิทธิ์เป็นประจำ